วันนี้แอดมินกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของคุณน้ำซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งก่อนหลังจากที่ในตอนที่แล้วคุณน้ำได้ไปงานแต่งงานของพี่ที่ทำงานที่เดียวกันกับพ่อและได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับแม่ญาติและเพื่อนๆของพี่แต่ในขณะที่กำลังจะกลับนั้นรถในกลุ่มของคุณน้ำคันหนึ่งกลับสตาร์ทไม่ติดจึงตัดสินใจ ชวนกันเดินกลับบ้านที่อยู่ห่างไปอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้เจอเรื่องราวแปลกประหลาดจนกลับมาถึงบ้านขณะที่พวกเรากำลังจะแยกย้ายกันไปนอนนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่หน้าบ้านคุณน้ำจึงเดินไปฉเฉงเอดูก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องรีบวิ่งหนีขึ้นบ้านกันจ้าละวัน ถ้าหากใครยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องถนนเปรี่ยวเส้นทางงานแต่งได้นะครับส่วนใครที่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นมาแล้วเราก็มารับฟังเรื่องราวของคุณนามไปพร้อมๆกันเลยครับวิญญาณตามติดถนนเปรี่ยว เส้นทางงานแต่งสอง ส, สัมผัสสยองถัดจากคืนนั้นที่เจอผีหลอกพวกเราแทบทุกคนก็จับไข้กันไปหลายวันไม่กี่วันหลังจากนั้นพอหายจากไข้แล้ว เราก็ได้ซื้อหาประวัติของคนนั้นว่าเขาเป็นใครเราได้ไปหาเบลซึ่งพ่อของเบลเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านนี้มานานแล้วเมื่อเราได้เล่าเรื่องที่เจอผีให้เบลฟังเบลก็มีสีหน้าตกใจย่างเห็นได้ชัดแล้วมันก็เงียบไปภักหนึ่งเราเลยบอกเบลให้ไปถามพ่อให้หน่อยว่าเส้นทางที่เราจูงรถผ่านในคืนนั้น เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเดลตอบตกลงว่าถ้าเจอพ่อแล้วจะถามให้จากนั้นเราก็กลับเพื่อที่จะไปวัดอาบน้ำมนต์เราไปวัดกับพ่อแม่และพวกพี่ๆที่เจอเหมือนกันพอไปถึงวดัดพ่อก็ขอให้หลวงตาทำพิธีให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเมื่อเสร็จพิธีแล้ว เราก็เห็นพ่อคุยกับหลวงตาพอคุยไปได้สักพักพ่อก็หันมามองเราเราไม่รู้ว่าพ่อพูดคุยอะไรกันกับหลวงตาก็ได้แต่ยิ้มตอบให้พ่อแต่พ่อไม่ได้ยิ้มตอบกลับมาสีหน้าของพ่อเหมือนจะเป็นกังวลหรือสงสัยอะไรบางอย่างสักพักพ่อก็ยิ้มให้เราเล็กน้อยแล้วแก่ก็หันกลับไป หลังจากที่พ่อคุยกับหลวงตาเสร็จทุกคนก็กลับบ้านตอนเย็นเบลมันก็โทรมาหาเราบอกว่าเรื่องที่เราขอให้เบลช่วยถามพ่อให้หน่อยมันได้คำตอบมาแล้วเบลก็เริ่มเล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่พ่อของนามจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เสียอีกบริเวณนี้เคยเป็นป่ามาก่อน มีถนนดินแดงครั้งหนึ่งมีคนชื่อทับซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งได้ขี่รถมาหาแฟนของเขาที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับที่น้ำอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะมารับไปเที่ยวงานวัดที่หมู่บ้านของเขาเมื่อไปถึงที่วดัดทั้งสองก็เดินเที่ยวเล่นงานวัดกันยังมีความสุขหลังจากไปเที่ยวกันเสร็จแล้ว ทับก็กลับมาส่งแฟนที่บ้านจากนั้นเขาก็ขี่รถกลับซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันกำลังจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเดินทางกลับรุ่งเชา้ามีคนพบศพของทับนอนตายอยู่ริมถนนพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่ล้มอยู่ไกลๆสภาพศพนั้นถูกทำลายซึ่งสันนิฐานว่า น่าจะมีชายชกันไม่ทราบจํานวนดักทําร้ายจนรถของทัพลม้มลงแล้วยังมีร่องรอยที่อยู่ต้นคอของเขาเหมือนกับถูกทบถูกไม้ตีจนตายคาที่น้ำได้ฟังเบลเล่าก็รู้สึกสงสารพี่เขามากในขณะเดียวกันนั้นเองจุ่จุอากาศโดยรอบก็เย็นขึ้นทั้งทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อย แต่เราก็พยายามไม่สนใจแล้ววางสายจากเบลไปตกเย็นแสงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าแล้วเราและครอบครัวก็ทานอาหารกันพอทานเสร็จก็ค่ํำพอดีแม่ก็ใช้ให้เราเอาข้าวไปให้หมาที่หน้าบ้านในระหว่างที่เรากําลังเรียกหมาอยู่นั้นสายตาเราก็มองไปเห็นเงา ด, ำดำําๆที่อยู่ด้านหลังต้นมะม่วงหน้าบ้าน ซึ่งห่างออกไปหลายเมตรแต่ตอนนั้นเราไม่ได้สนใจอะไรขณะที่เรากำลังเทอาหารให้หมาของเราอยู่นั้นเราก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาน้ำตามันไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวอากาศโดยรอบก็เย็นขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อเราเทอาหารเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาและกำลังจะเดินกลับเข้าไปในบ้าน เราก็เห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงยืนมองเราจากด้านหลังของต้นมะม่วงต้นเดิมคราวนี้เราเห็นชัดมากเขาจ้องมองสายตาขม็ขงดวงตาสีแดงก่ําเราตกใจกลัวมากอยากจะตะโกนแต่ก็อ้าปากไม่ได้อยากจะวิ่งหนีแต่ก็ก้าวขาไม่ออกเรายืนนิ่งตัวแข็งอยู่พักหนึ่ง จนเขาชี้นิ้วมาปากพูดพึมพำเหมือนจะบอกอะไรสักอย่างสักพักพ่อก็ตะโกนเรียกเราจากในบ้านแล้วชายคนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเรากลับเข้าไปในบ้านด้วยท่าทางที่สัน่นจนพ่อถามเราว่าเป็นอะไรพอเริ่มตั้งสติได้เราก็เล่าให้พ่อฟังว่าเจออะไรมา เมื่อพ่อได้ฟังก็นิ่งไปสักพักแล้วบอกให้เราไม่ต้องคิดอะไรมากให้อาบน้ำแล้วก็รีบเข้านอนพ่อนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแม่และพี่ของเราฟังแม่กับพี่จึงตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะพาเราไปหาหลวงตาอีกครั้งให้แกดูให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นกับน้ำแค่คนเดียวยังมีพี่หญิงพี่เอและพี่ตายที่โดนเหมือนกันกับน้ำด้วยซึ่งพี่หญิงโดนหนักกว่าใครเพื่อนวันถัดมาขณะที่แม่กำลังจะพาน้ำไปหาหลวงตาพ่อก็เข้ามาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกแล้วบอกกับทุกคนว่าจำตอนที่น้ำไปอาบน้ำมนได้ไหม ที่พ่อของเราหันมามองเราซึ่งหลวงตาบอกกับพ่อว่ามันเป็นชะตาของน้ำที่จะต้องเจอกับสิ่งลี้ลับพวกนี้และผีที่เจอก็แค่อยากให้น้ำไปบวชชีพรามเจ็ดวันเพื่อแผ่บุญกุศลให้เขาเพียงเท่านั้นก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนที่ได้ยินพ่อเล่าก็เงียบแม่จึงพูดต่อว่างั้นวันพรุ่งนี้ ก็ให้น้ำไปบวชชีพรามก็แล้วกันจากหนักจะได้กลายเป็นเบาเช้าของวันถัดมาคราที่น้ำเตรียมตัวเพื่อจะไปวัดพี่หนึ่งีชายของน้ำก็มาบอกว่าคืนก่อนพี่เอกับพี่ตายก็โดนผีหลอกเหมือนกันพวกเขาเจอตอนที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่หน้าบ้านของพี่ตายซึ่งวันนั้นพี่เอไปเที่ยวหาพี่ตายพอดี ทั้งสองคนได้ยินเสียงผู้ชายพูดอย่างชัดเจนว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยพี่เอหันไปมองตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยสักพักอากาศบริเวณโดยรอบก็เย็นขึ้นมาอย่างผิดปกติพี่ตายจึงเดินออกมาหน้าบ้านเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนี้ แต่พอก้าวขาออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวอากาศที่เย็นยเยือกนั้นก็หายไปเหมือนกับว่ามันเย็นเฉพาะในบ้านของเธอเพียงเท่านั้นพอพี่ตายหันหน้ากลับมาตรงที่พี่เอนั่งอยู่ก็ต้องตกใจยืนนิ่งแล้วบอกกับพี่เอว่าไอเอผพีพี่เอรีบหันไปมองข้างหลังในทันที แล้วสิ่งที่แกเห็นหยุดตรงหน้าก็ทาให้แกถึงกับช็อกเพราะผีตนนั้นยืนอยู่ข้างหลังพี่จ้องมองมาทางเขาตาขม็งแล้วพูดว่ากูจะเอาพวกมึงไปอยู่ด้วยมึงต้องมาอยู่กับกูพอสิ้นเสียงทั้งสองคนก็พากันวิ่งหนีเข้าไปในบ้านพร้อมทั้งเสียงหัวรอกของผีตนนั้นที่มันดังอย่างสยดสยองอยู่ด้านหลัง พอพี่หนึ่งเล่าจบน้ำก็ยืนนิ่งตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีคนอื่นที่เจอหลอกเหมือนกันสักพักแม่ก็เดินเข้ามาบอกกับเราว่าวันนี้ยังไม่ต้องไปวัดเราแปลกใจมากในขณะที่เรากำลังจะถามแม่แม่ก็พูดขึ้นมาว่าไปเยี่ยมพี่หญิงที่โรงพยาบาลก่อนพี่หญิงประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน้ำกับพี่หนึ่งตกใจทำอะไรไม่ถูกในใจของเราได้แต่วางว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ไม่เกี่ยวกับผีตนนั้นจากนั้นแม่เราและพี่หนึ่งก็พากันไปโรงพยาบาลเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพวกเราก็เจอกับแม่ของพี่หญิงยืนอยู่ แม่เราจึงถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแม่ของพี่หญิงก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนขณะที่พี่หญิงกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูพี่หญิงคิดว่าคงหูแว่วไปเองจึงไม่ได้สนใจอะไรขี่รถต่อไปจูจ่ๆก็มีเงาดำวิ่งตัดหน้ารถแกตกใจกำเบรกมือแน่น พร้อมทั้งเหยียบเบรกเท้าอย่างกระทันหันส่งผลให้รถเสียหลักพลิกควม่มตัวแกกระเด็นไปอยู่กลางถนนพร้อมกับรถที่ตรงนั้นเป็นเส้นทางทีมือและเปรียวพอสมควรแสงไฟจากเสาไฟฟ้าก็ไม่มีหลังจากที่พี่หญิงนอนเจ็บอยู่กลางถนนได้สักพักแกก็ฟื้นคืนสติขึ้นจึงพยายามครานออกไปอยู่ริมถนน พอครานออกมาได้ไม่นานก็มีรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วชนรถของพี่หญิงเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วลากรถไปไกลหลายสิบเมตรจนรถคันนั้นต้องหยุดลงนี่ถ้าแกไม่ตัดสินใจครานออกมาคงจะถูกรถทับตายไปแล้วแน่ๆพวกเราที่ได้ฟังก็ตกตะลึงไปตามๆกันแล้วพี่หนึ่งก็เข้ามากระซิบที่ข้างหูของเราว่า แก ค, คิดว่าใช่ไหมวะมันต้องเป็นผีตัวนั้นแน่ๆแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆเราได้ยินเสียงกระซิบของพี่หนึ่งจึงหันมาถามว่าผีอะไรน้ำกับพี่หนึ่งจึงเล่าเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอให้กับแม่ฟังและให้แม่ของพี่หญิงฟังด้วยพอเล่าจบทุกคนจึงตัดสินใจกันว่าจะรอให้พี่หญิงหายดีก่อนแล้วให้พี่เอ พี่ตายไปบวชพร้อมกันกับน้ำอย่างที่หลวงตาได้บอกมาจนมาถึงวันทีพวกเราทั้งสี่คนต้องไปบวชและแผ่เมตตาให้กับผีตนนั้นหลังจากบวชครบเจ็วันพวกเราก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่พบเจอผีตนนั้นอีกแต่น้ำก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีแค่น้ำพี่เอพี่ตายพี่หญิง ที่เจอเหตุการณ์อันน่ากลัวน่าขนลุกนี้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นในวันงานแต่งคนอื่นๆก็เจอผีตนนั้นเหมือนกันแต่กลับไม่โดนหลอกหรือทำร้ายแบบนี้เหตุการ์ครั้งนั้นมันยังคงติดค้างคาอยู่ในใจของเราตลอดมาถ้าหากมันเป็นจริงอย่างที่หลวงตาพูดว่ามันเป็นชะตากรรมของเราที่จะต้องได้พบเจอสิ่งลี้ลับ แต่เราก็ขอให้ไม่ได้พบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายและน่ากลัวแบบนี้อีกสมผัสสยอง